รวมสิกขาบทที่มีในอนิยต์กันอนิยตกันมีสองสิกขาบทคือ 1. ปฐมอนิยต์สิกขาบทว่าด้วยการนั่งในที่รับตากับหญิงสองต่อสองสทุติยะอนิยต์สิกขาบทว่าด้วยการนั่งในที่รับหูกับหญิงสองต่อสองพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐและผู้มีความคงที่ทรงบัญญัติไว้ดีแล้วอนิยตกันจบ